วันนี้วันที่สิบเจ็ดที่เรามาเปิดอบรมกันนังแต่วันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดวันนี้ได้แค่สองวันแล้วที่เราได้ลงมือปฏิบัติกัรจิงจงกันมาดังนั้นวันนี้จิง น, นิมนต์เพื่อนพระสงฆ์และญาติโยมทุกท่านตั้งใจปฏิบัติกันจินจนการปฏิบัติธรรมะวิธีที่พวกเรา นํานํามาปฏิบัติกันดูในขณะนี้เป็นวิธีที่รัดรัดไม่ใช่เป็นวิธีที่ทางโค้งเป็นวิธีทางรัดนี่ว่าทางรัด ท, ทางตรงไม่ใจะทางอ้อมนี่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการให้ทานไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาศีลไม่เกี่ยวข้องกับธทำโคมสงฆ์ที่พูดแล้วตอนเช้านี่ว่า พูดกันมาแล้ววันนี้เราจะพูดเรื่องปัญญาปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดนะพูดกันได้แต่ปัญญาชนิดไหนเราไม่เคยรู้หรือรพลวงพ่อก็ไม่เคยรู้แต่ก่อนบัดนี้เราจะมาพูดให้พวกเราได้เข้าใจว่าปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดเราปัญญาชนิดไหนปัญญาญาปัญญาตาใจแบบปัญญาญาโดยญาปัญญาเข้าไปจัดการกับเรื่อง คงไม่รู้ควงไม่รู้มันอยู่ที่ไหนคือคงไม่รู้สึกตัวนี้เองทําความรู้สุกตัวมากเพื่อนมากเพื่นนนนอนเกิดยานปัญญาแต่ไม่ทบทวนอารมณ์นะวันนี้จะพูดแบบยานปัญญาเขาไปรู้แจ้งเห็นจริงรู้อะไรทีแรกเรื่องโศกโมหะโลภะก็พูดกันมาแล้วดอกกิเลสย่างหยาบกิเลสยางกลางคือเราไปติดความสงบต้องการอยากให้ความสงบได้มามากๆ อันนั้นเรียกว่ากิเลสยังการเพราะเราไม่รู้เนี่ยนั่งสงบแล้วถือว่าเราสงบไม่ใช่นะเรียกว่านอนหลับทัศกอัน น, นเป็นวิธีนอนหลับทับศีกปัญญาเป็นเครื่องกำจักดกิเลสอย่างละเอียดต้องมองเห็นเออนั้นมันอยู่ใต้โมหะปัญญารู้จักโมหะกลไกของโมหะปัญญารู้จักกิเลส ม่ใส่กิเลสดังที่โธตะโมหะนะแม่กิเลสกิเล ส, เลสย่างไหนรู้จักทั้งหมดเนียปัญญาเดี๋ยวเราชอบเราเกลียดเป็นปัญญารู้จักเนียปัญญาปัญญาสามารถเหมือนกับแสงไฟแต่สมมุติเอานะจะเข้าใจว่าเป็นั่งทำจังหวะแล้วจะเห็นเหมือนแสงไฟไม่ใช่หรือเมื่อกับแสงไฟเราถือไว้ลมพัดไม่ได้อะไรพัดไม่ได้มันจะคุ่งเห็นเห็นใจเราเอง ปัญญานี้เห็นใจมันนึกมันคิดรู้เท่าทันเหตุการณ์เดี๋ยวคิดนั้นเดี๋ยวคิดนี้ปัญญาสามารถรู้อันนี้พอดีรู้เข้ารู้เข้าปัญญามันจะรู้พอดีปัญญามันรู้แล้วตัวนั้นจะลดลงเมื่อตัวนั้นลดลงแล้วญาณปัญญาเกิดขึ้นอย่างวิปัสนาญาณเขียมันดีตรงนี้ตัววิปัสนาญาณตัวนี้สามารถจะมองเห็นว่ารอให้ทานเรารักษาศิน เราทำสงบมีค่ายัางไรรู้ น, นี่ดี๋เป็นปัญญาคำจัดสีดละเอียดเราเห็นเรารู้คนอื่นจะรู้แทนเราไม่ได้จังหวัดปัญหาอื่นๆจะไม่คองแมะเลยอันนี้เป็นจิตใจของทุกคนมีแล้วไม่ยกเว้นเรื่องปัญญาตัวนี้แต่เราไม่ทำให้ปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นไม่ได้เราพอมีความสงสัยเอ๊ะผิดไห ผูกไหมเนี่ยมันสงสัยอันสงสัยก็มีความผูกแล้วเนี่ยเฮนเราทําแล้วตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่ต้องสงสัยเลยเราตายแล้วไปตกนรกไหมไม่ต้องสงสัยเลยปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นเดียวญาณปัญญาของวิปัสนาเมื่อวิปัสนาเกิดขึ้นมันจะมีควมสุขอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดให้วังว่าจิตลุกพ้นแล้วมันมีคือจิตหลุดพ้นแล้วหนึมันมีแล้วแต่มันมีแล้วแต่มันไม่ได้ทําหน้าที่ของมัน มันก็นเลยไม่ได้สแสดงออกมาจิตจุดพ้นแล้วยานย่อมมีตําราท่านบอกอย่างนั้นได้จิตจุดพ้นแล้วยานยอมมีลูกอะไรคือว่าลูกการดุ ด, ด, ดุดแล้วหยุดหาครูหยุดหาอาจารย์หยุดหาวิธีปฏิบัติดุดจริงๆหลวงพ่อรู้อันนี้จําเป็นต้องออกตัวเองมาเป็นคนประกันคําพูดตัวเองเนี่ยตัวเองต้องพูดแล้วต้องเองต้องป้อกันตอนเศรุหลวงพ่อรู้ธรรมะอันนี้ เหมือนกับถอนเสื้อออกพราอมันนุงเสื้อเนี่ถอนเสื้อออกแต่ไม่ได้ถอนหรอกแต่มันสมมุติถอนกางเกงออกให้ว่าอออทอาอนน้อออกทั้งหมดเลยแล้วก็เมื่อหนังเนี่ยยื่ออกทั้งหมดเลยเลือดไม่มีแม้หยดเดียวเลือดในตัวหลวงพ่อไม่มีไม่หยดเดียวหลวเพาอเข้าใจอย่างนั้นมีปาดล่าเนี่ยเลือดมันจะหัวนขับเข้าไปสู่สภาพพอามาัทั้งหมดเลย <c oughs> ว่ามคิดโดยนามทำมาจะเข้าไปสู่สภาพพอมันเลย นีปัญญาตัวนี้เดียวปัญญายานของวิปัสนาแล้วก็มีทุกคนทุกคนต้องประสบได้เรื่องเหล่านี้แต่ทำจริงนะถ้าเป็นคนไม่จริงโกจะไม่ได้รู้ของจริงแต่ทุกคนต้องรู้แน่นอนต้องประสบแน่นอนกับคนคนเป็นอันนี้แม้หากว่าพวกเรายังไม่ได้เปลี่ยนเดียวนี้จวนจะตายหรือจวนจะหมดลมหายใจนะี่ต้องเรื่องนี้ปรากฏก่อนถูกไหม ถ้าหากเราไม่รู้เดี๋ยวนี้จวนจะหมดลมหายใจจะต้องแน่นอนเรามาสร้างผมรู้สึกตัวนี้ไว้ให้เป็นพื้นฐานให้เป็นสายกับว่าได้ลิจิวะยังไงก็ได้เนี่ยหลพอไม่สร้างพูดมากเพราะหลวงพอไม่ได้เรียนมากเป็นพื้นฐานเป็นหลักไว้เป็นมูลเดิมไว้เราจะได้รู้จะได้เห็นจะได้เข้าใจเรื่องนี้เมื่อสิ่งนี้ปรากฏขึ้นแล้วเราจะไม่คล้องแวะเรื่องตาย เรื่องตายเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเราต้องเรียนให้รู้ไว้ตายเสียก่อนตายยังมีลมหายใจนี่รู้วิธีอันนี้เนี่ยไม่อื่นไกลแล้วหลวงพ่อไม่ต้องไปพูดหรอกอยู่หน้าที่เท่านั้นคำเพียเท่านั้นอแล้วมาจากศัพท์นั้นพูดให้คนนั้นฟังพูดให้คนนี้ฟังหลวงพ่อไม่ได้พูดหลวงพ่อพูดหรอพูดให้พวกเราเนี่ฟังมาปฏิบัตินี่ให้รู้อันนี้แต่เมื่ อ, อยังไม่รู้ ก็ต้องจําเป็นแต่ต้องเป็นพื้นฐานได้เป็นมูลเอาไว้จวนจะหมดลมหายใจอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้พบก่อนหน้าจากห้านาทีก็ยังดีความสุขประเภทนี้เลยว่ยจิตเฮ hey, มังเนี่ยเป็นจิตที่กเกษมสารซื้อไม่ได้ขายไม่ได้เดี๋ยวเป็นจิตกเกษมสารธนวันต์ตํารานะคือจิตอันนี้เป็นจิตเหนือทุกเป็นจิตเหนือสุข เหมือนกับเราขึ้นต้นไม้ลุกขึ้นเครื่องบินมองเห็นถนนหนทางมองเห็นต้นไม้มองเห็นคบ้านหลังก็เรียกว่าภูเข า, เขเขามองเห็นเขาเล็กเลกน้อยๆอยมันขึ้นไปมันดูสูงและสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เลยจิต ว, อวต่องไวที่หงพจิตว่องไวสามารถมองเห็นอะไรทุทกอย่างแล้วกระตัดสิลงไปไม่พลาดเลยถ้าทุกคนนี่มาที่นี้่ตั้งใจทํา ตั้งใจปฏิบัติจริงๆแในการพูดแต่ไม่ต้องพูดอย่างที่เราทํากันมาแล้วสองวันไม่ต้องพูดพูดอะไรมากมายหนักหนาพูดกัมนมาหลายสิบปีแล้วคนยังพ้นทุกไม่ได้อันนี้หลวงพ่อเข้าใจว่าเรามาทํากันในวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสามวันบางคนอาจจะจําได้หลวงพ่อพูดบางคนจำไม่ได้บางคนยังสงสัยกังวลใจนี่ หลวงพ่อทาเนี่ยไม่นานเลยแต่เป็นคนพูดจริงนะหลวงพ่อเคยพูดใ ห, ให้เราเป็นเข้าที่หนึ่งบรรจุลงในกระสอบขายราคาก็แพงคนต้องการซื้อเข้าที่หนึ่งถ้ า, าว่าเราลดราคาเข้าที่หนึ่งลงมาแล้วมันจะไม่มีราคา <c oughs> เดี๋ยวนี้เราพยายามเอาเข้าที่หนึ่งมาบรรจุเข้ารูปปฐมศาสตร์ทุ ต, ติยศาสตรตติยสาสร จัดตัท่าศารจัดตัท่าศาลเป็นวารวมตัวกันเข้าจัดตัวเป็นวารวมนะหลวงพ่เข้าใจหหลวงพูดเอาเองนั่นนี่จัดตท่าศาลเป็นวารวมตัวกันเข้าปั่นจักมาสาลขันห้าจะไม่ถูกปุงต่อไปรับประกันได้เรื่องนี้เดี๋ยวรู้ก่อนนะมันจะตัดขาดปุ๊บนี่หรขันห้าจะปุงไม่ได้เนี่ยเข้าใจอย่างนั้นจดจัดตัท่าศาลเป็นวารวมรวมตัวกันเข้าตาก็รวมหูก็รวมสมมติหลวพูดอย่างนี้ แล้วจิตใจนกที่กวงรวมเขามันรวแล้วเขาเราตัดปุ๊บขาดช่วงทันทีเลยเมื่อหนังเราขาดช่วงนั่นแหละจูดเกิดจูดหมดทั้งตัวเลือดทั้งตัวเนี่ยจะไม่หยดเลยมันจะแข็งเข้าเหมือนกับแมวกินหนูนั่นเองแมวกินหนูไม่มีเลือดเลยกินยังไงม็ไม่มีเลือดเพราะอันนี้มันกลองมาหมดแล้วเนี่ยคือมันกลองมาตั้งแต่ทีแรกมันกลองมานะเราไม่เคยรู้ลูกนานเอาไว้ฟังเองไม่เคยรู้ลูกนานเรารู้ลูกนาน ไม่เคยรู้ปรมัดหรือรู้ปรมามัดขึ้นมาไม่เคยรู้ปฐมฌานทุติยฌาน ร, า ร, า ร, เเาราู้ทางไปหาพระพุทธเจ้าเรารู้ทางไปหาพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้เป็นขั้นเป็นตอนมามันไม่เคยว่ารู้ว่าขมสงบมันจะเห็นขมสงบขึ้นมาขุมไม่สงบมันซ่อนตัวอยู่ที่ตรงนั้น <c oughs> จะเห็นจริงๆอันนี้หรอกยานของปัญญาวิปัสนาภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้มากทําให้รู้ทําให้เข้าใจทําให้เกิดทําให้มี ไม่ใช่จะ ม, มารู้จำเอาคำพูดของพ่อไปพูดอันนั้นผิดจังหวะเราเคยสวดกันว่าผู้ใดที่เคยศึกษาเราเรียนมาว่าอาบัติปรสิกเซเมถุนหนึ่งลักของเขาหนึ่งฆ่าสัตว์หนึ่งพูดอวดอุตริมนุษย์หาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนหนึ่งนี่ขาดจากคนเป็นภิกษุภิกษุแปเพื่อเห็นไทยเห็นตัวนี้ปัญญาญาณตัวนี้จะรู้ว่าตรงนี้ เสพเมถุนเรามาพูดกันหมายถึงเพศตัวข้ามแต่อันนั้นก็จริงจริงโดยสมมุติไม่ใช่ได้จริงโดยปรมาสเสพเมทุนหมายถึงอยู่กับหัวไม่รู้นั่นเองจาให้มันดีนะอยูกับหัวไม่รู้มันไหลไปตามกระแสของคิดจช่นว่าทวนกระแสของน้ำเนี่ยเสพเมถุนต้องทวนไม่ต้องไปกับคมคิดเเสพเมทูนรักของเขาหนึ่งคนอื่นพูดไปจําเอาเราไม่เป็นแต่ว่ารักคําพูดของคนอื่นมาพูดทันวันทันนาที ฆ่าสัตว์หนึ่งของจริงที่มีอยู่ในเรามันจะไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะเรากบไว้เนี่ยเต่ว่าฆ่าตัวเองตายจากมรรคผลนิพพานก็ได้ฆ่าตัวเองตายจากพระอรหันต์ก็ได้แล้วไปจะพูดมันเป็นคําพูดเนี่ยฆ่าสัตว์หนึ่งสัตว์จากเรวของจริงเนี่ยพูดอวดอุตริมนุษย์สาธรรมคือทําอันยิ่งของมนุษย์ที่มันมีในตนหนึ่งเนี่ยอันนี้ เ, เราเราพูดของจริงเราจะรู้เราไม่ต้องพูดอวดอย่างที่ตลวงพ่อพูดเนี่ย อันนี้เดี๋ยวพูดของจริงไม่ใช่เป็นพูดอวดเนี่ยอันนี้พูดของจริงให้ทุกคนนำไปใช้ออกชีวิตประจาวันนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้เป็นทางลัดพึ่นเครื่องบินตื้อไปทีเดียวเลยลงสนามบินดอนเมืองออกจากดอนเมืองมาแร้จีมาขอนแก่นตื้อมาลงสนามบินขอนแก่นสั้สี่สิบห้านาทีเท่านั้นเองเดงว่าไม่คลองแวขับให้ทาน ไม่คล้องแย่กับรักษาศีลไม่คลองแก่กับไปทํากรรมฐานขึ้นตามขั้นตามตอนเน่ะขึ้นต้นไม้ต้องขึ้นแต่ต้นๆถูกอันนั้ก็ถูกแล้วเราให้ทานมาแล้วเรารักษาศีลมาแล้วเราทำความสงบมาแล้วเราไม่เคยรู้ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นไม่เคยมีอย่างนี้อันนี้ไม่ต้องรับศีลก็ได้ไม่ต้องให้ทานก็ได้ไม่ต้องทําความสงบก็ได้มันพร้อมกันทีเดียวพลิกมือขึ้นรู้สึกเน็ ความเมื่อลง ร, รู้สึกความรู้สึกมันคุมทั้งหมดเลยคมทั้งให้ทานคุมดังลักษาสีคุมทง า, าคมทงคุมสงบคุณคุมไปทั้งหมดเลยเจะยานปัญญาเกิดขึ้นด้วยปัญญาญาติว่ามีอารมณ์หกอยู่ขันห้าอัญตละสิบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ยี่สิบสองอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทเป็นอารมณ์ของรียกปัสนาครูบาให้เรียนเรียนแล้วแต่มันไม่เกิดยานปัญญาบัตรนี้ เมื่อรู้อันนี้แหละมันจะรู้ขันห้าจริงๆขันห้าตาหูจมูกเล่นกายใจนี่เป็นอนัญตาะสิบสองไม่ต้องพูดเลยขันห้าอญตาะสิบสองอ่ะไม่ต้องเรียนแล้วมันคบรบอยู่ที่นี่แล้วทาสิบแปดจากหูเออทาสิบแปดจากหูทา่าจากหูทา่าคือท่าทางตาท่าสิบแปดสามหกสิบแปดเราไม่ต้องเรียนกันได้จากหูคือตาจากหูทา่าคือท่าทางตาจากหูวิญญาณทา่าคือวิญญาณทางตาเราไม่ต้องเรียนกันได้เราจะต้องไปเลยทีเดียวเนี่ย อิณรียี่สิบสองเลยจะขู่ติณรีโสตินสีคานิรียไม่ต้องเรียนก็ได้ปฏิจจสมุปปบาทไม่ต้องเรียนก็ได้อภิชาไปประยัยเกิดสังขารสังขารไปประยัยเกิดวิญญาณวิญญาณไปประยัยเกิดนามุไปอันนั้นก็ไม่ต้องเรียนก็นได้เราจะตรงเข้ามาทีเดียวเลยตรงที่ตรงไหนน<ม>ตรงเรารู้จักเรื่องลูกนามที่แรกนะอันนี้เป็นการพูดเรื่องอารมณ์จนจบแต่แต่ไม่ไม่ได้มาแท้ คือว่าพูดให้ฟังสังส้นๆรู้เรื่องรูปนามเนี่ยรู้ถึงบาปมุ่เนี่ยรู้ให้จบเลยขันต้ น, นขั้นที่สองเราจะรู้วัตถุแต่เรื่องเวทนาไม่ต้องพูดรู้เรื่องวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างนนเนี่ยรู้นี่เมื่อรู้วัตถุตัวนี้แปลว่าเราได้กระแสปณิธานแต่ลูกนามยังไม่ได้เพียงรู้เรื่องเรื่องของคนเท่านั้นเองอันนั้นเป็นเรื่องของคนตัวนี้เป็นหน้าที่ของคนแล้วเป็นหน้าที่จะปฏิบัติแล้ว ที่หลวงพ่อเคยพูดขวามเป็นคนเกิดขึ้นแล้วให้แก่เราเนี่ยความเป็นคนเกิดขึ้นแล้วเรารู้รูปนามเนี่เรื่องของคนเรเรื่องของคนเราจะรู้แล้ววันนี้รู้เรื่องว่าถูกหน้าที่ของคนเนี่เพราะเราทำลายสิ่งนั้นได้เนี่ยหน้าที่ของคนเราต้องหน้าที่ของเราปฏิบัติไปให้ถึงกับพระพุทธเจ้าเพราะเราได้กระแสพระนิพพานได้ต้นทางนีเรียกวเป็นอริยะมรรคอริยผลเกิดขึ้นคือ เราเห็นกิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยเรียกว่าอริยผลเรียกว่าพระโสดามะพระโสดาผลจะหาว่าพูดอวดก็ได้ที่พูดกลมริงให้ฟังเนี่ยพูดอุตตริมนุษสาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ธรรมอันนี้เป็นธรรมอันยิ่งของมนุษย์คนธรรมดากินรู้ไม่ได้ที่ว่าต้องเป็นคนจริงเราเป็นข้าทีหนึ่งคือบรรจุลงในกระสอบไปขายราคาก็ดีกินคนก็ชอบเนี่ยจะเป็นมักเป็นผลบัณนี้เมื่อสินปรากฏขึ้นเนี่ ย, เ, ยปกก เ, เป็นมัก รู้เรื่องความสงบเป็นผลรู้การทําบาปเป็นมักบริสุทธิแต่การทําบาปออกได้รู้เรื่องการทําบุญเป็นผลไปเกี่ยวเป็นมักเป็นผลเรียกว่าเป็นจัตุทัศนเมื่อรู้เรื่องบาปเรื่องบุญทําบาปทําบุญตกนรกขึ้นสวรรค์ทําบุญเป็นยังไงเนี่ยอันนี้เป็นผลเป็นมักเป็นผลพอดีรู้อันนี้ปักมันจะขาดช่วงเรียกว่าจัตุทัศน์มันจะมารวมที่ตรงนี้ วิปัสนาญาณจะเกิดขึ้นๆๆที่ตรงนี้เรียกาตายเสียก่อตายยังไม่มีลมหายใจจะรู้วิธีเข้าไปตายจริงๆความตายจึงไม่ตายจยุดเป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงที่บอกเป็นอาการประยชเป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนระดับจิตของเราขึ้นไปตามขั้นตามตอนประโยชน์าตายแล้วเกดกระพิตตายแล้วศูนย์กระพิตเราจะเอาที่ตรงไหนก็เอาการเปลี่ยนแปลงไปที่ระดับของจิตใจนี่เรียกว่าเราไม่ชอบอยากทําให้จิตใจเราล้วนสันได้ เัาก็ไปเห็นการเลื่อนท่านคือเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเป็นพระราชฎเป็นพระเทศเป็นพระธรรมเราไปติดอันนั้นเลือนท่านอันอันนั้นจึงเอาอันนั้นมาเป็นอันนี้บัดนี้เราไม่รู้เราจะเอาตัวนี้ไปเป็นตัวนั้นเนี่ยรู้ตัวรู้จักอย่างนี้จงหวาคือเสียงเกียรติยศนั่นดีแล้วเขาเลือนท่านให้แต่ละเขาทอดเมื่อไห่ก็ได้อย่างที่ตํารวจก็เป็นสิบปีสิบโทสิบเอกเมื่เดือเขา ลื่นสั้นให้แล้วก็ถอดก็ได้อันนี้ถอดไม่ได้เหมือนกับที่ว่าแผลเรามีดบาดเราทั้งจะดีแล้วก็เป็นแผลอยู่ที่ตัวนั่นจีว่าให้รู้จักจริงๆเมื่อรู้จักวิปัตนาญาณเกิดขึ้นแล้วมันจะลบทั้งหมดเลยอย่างที่หลวงพ่อพูดแล้วข้างต้นว่าหลวงพอ่อถอดเสื้อออกถอดกางเกงออกลบทุกอย่มันจืดทั้งหมดเลยมันกลับเข้าสู่สภาพเดิมของมันจิตใจมันก็เข้าสู่สภาพประมาณนี่ ขันห้าปรงแต่งไม่ได้อีกต่อไปโดาขาดแล้วเสื้อที่มัดที่ตรงนี้มันตรงนี้ตัดตรงกลางขาดแล้วดึงเสื้อ น, นั้นมาถึงตรงนี้ไม่ได้มันขาดแล้วใส ไ, ไม่ได้อันนั้นอันนั้นใสไม่ได้จริงจิงจริงว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวตัดแล้วขาดแล้วไม่งอกอีกแล้วเนี่ยอันนี้แหละความจริงทุกคนจะประสบเรื่องนี้จวนจะหมดลมหายใจตอนหนะ้าลมหายใจจะหมดต้องห้านาที พวกเราต้องเกียมเนื้อเกี่ยมตัวไว้อันที่นำมาเล่าให้ฟังนี่การสิ้นจบเรื่องชีวิตของเราทุกคนจะควรได้ทุกคนจะควรมีไว้ทุกคนจะให้เป็นสัพย์ของเราที่เกิดมาเป็นคนจะไม่เสียซาดท่านว่าคนเกิดมาร้อยวันพันปีก็ตายถ้าหากไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจตัวที่ของข้อคดีเยล่านี้เนี่ยชีวิตคนนั้นเป็นหมันเป็นโมฆะ ไม่มีประโยชน์อะไรเลยท่านวัดคนเกิดมาเพียงวันเดียวรู้เห็นเข้าใจอันนี้ชีวิตอันนี้มีค่ามากกว่าบุคคลที่เกิดมาร้อยวันพันปีนั้ น, นท่านวัดมีค่ามากแต่คนเกิดมาวันเดียวรู้ไม่ได้พิชิตตีนตัวไม่ได้ญาติโยมมาปฏิบัติหรือเพื่อนพระสงฆ์องค์เจ้ามาปฏิบัตินี่บางทีหลวงพ่อพูดไปอาจจะประสบพวกอริทีเดียวก็ได้เนี่บางทีหากไม่ประสบก็จําไว้ เราต้องเข้มงวดกวดขันตัวเองไปปฏิบัติเอาไวา้นี่มันมีประโยชน์อย่างนี้ยังว่าการฟังธรรมะฟังสิ่งที่ยามมาสื่ฟังฟังแล้วไม่เข้าใจทำความเข้าใจเข้าไปเรื่อยๆไปเลยที่คุนว่าจะมีอานิสงส์ห้าประการท่านว่าอย่างนั้นบัดนี้บวชมาได้รอยพรษ า, าท่านว่าอย่างไรหากยังไม่เข้าใจสภาพรูปภาว่าอันที่หลวงพ่อกําลังพูดเดี๋ยวนี้เนี่ยการบวชของคนนั้นเป็นโมคฆะ เป็นหมันไม่มีประโยชน์กับอันนี้แต่มีประโยชน์กับอันอื่นไปไม่เป็นอย่างนั้นเด็กคนบวชมาเพียงวันเดียวมีแถะใส่หัวในผมขาดออกไปปุ๊บจิตใจเกิดมีความเข้าใจในสภาพหรืภาวะความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไปแล้วแต่มันจำไม่ได้เพราะมันเร็วเกินไปคนนั้นน่ะบวชดึกทีเดียวปุ <c oughs> ๊บนี่มีประโยชน์มากกว่าบุคคลพิธีบวชมาร้อยพรรษาท่านว่ด อันบวชได้มาเป็นเรื่องสมมตุติให้เรารู้จักสมมุติแยกแยกจริงๆหลวงพ่อยังเคยพูดเคยสอนให้รู้จักสมมุติบัญญัติปรมัต์บัญญตัติอัท ธ, ธาบัญญัติอริยบัญญตัติแต่เป็นพระญาติบุคคลแล้วก็ยังถูกบัญญัติสมมุติขึ้นมาให้เว้าอันนี้อันนี้แหละปัญญายานของวิปัสสนาญาณของปัญญา ไม่ใช่เป็นปัญญานึกคิดออกปลุกบ้านแตงเือนหาเงินหาทองการศึกษาเล่าเรียนสอบไล่นักทำตีโทเอกหรือสอบไล่เจ้าคุณสอบได้อุปสาอาจจะไม่ใส่ปิดอะไรอันนี้จิงวะกับอันนั้นมันเป็นอันเดียวกันดึงอันนั้มาเป็นอันนี้สมมุติว่าปฐมศาสตร์เขาอยให้เป็นพระโูเป็นพระโคเป็นเจ้เป็นพระโคสักหนี่ทุติยาสางก็ให้เป็นเจ้าคุณสักหนี่งทัติยสางก็ให้เป็นพระราชฎร์สักหนึ่งปรเดี๋ย จตุทศสารกลายเป็นพระเทพซะปัญจมสารกลายเป็นพระธรรมไปซะตั้งเพื่เป็นสุนนั้นสวิกัเป็นปัญญายานนี่มันเป็นนากศัลอันมันถอดได้เจ้าปฐมมสารทุติยสารตติยสารพวกเราต้องปฏิบัติให้เข้าใจจริงๆถ้าไม่เข้าใจเรามันจะเสียเงินนี่เสียเงินเสียเวลาที่ตลวงพ่อมาพูดให้ฟังอีกด้วยนะฮแล้วก็เสียเงินค่ารถค่าลามาอีกด้วยนะยัว่าต้องตั้งใจทำจริงๆให้เป็นเข้าทีหนึ่งจริงๆ มาเนี่ยใครเป็นเข้าทีหนึ่งเราจะทําให้หลักพระพุทธศาสนามั่นคงถาวรและเป็นการเผยแพร่และเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาเนี่เป็นอย่างนไงเรียกว่ารักซารักศาสนารักพระมหากษัตริย์ในล่าวเราไหมลักอะไรเอาลักของจริงในที่แล้วจังหวะเสียสละชีวิตเพื่อรักษาข่มจริงแล้วเรามีจริงไหมของจริงที่จะตั้งใจผู้จริงๆนำมีจริงไหม ถ้ามานันไม่กินกับพูดเรื่องอื่นทำมาเป็นของจริงตรงนี้มันก็เสียจริงจังหรอพุทธศาสนาของเมืองไทยนี่จังหลดน้อยไปน้อยไปเพราะยังมีโรคโกรธหลงอิสาตาร้อนกันอยู่มากมายแล่วพุทธศาสนานั้น่ะไม่มีความโรคไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีการอิสาตาร้อนท่านสอนอย่างนั้นแต่าความสุขมันเกิดขึ้นมาจังะจิตเป็นเกระแ ส, สารวนวันอย่างนั้นจัะเขมัง เ ป, เ, สสเป็นจิตเกษมสารเป็นจิตเหนือทุกเหนือทุกมีในคนทุกคนแต่ว่าสิ่งนั้นไม่ได้ทําหน้าที่ของมันโดยไม่ได้เกิดญาณปัญญาเพราะเราไม่ทําผมรู้สึกตัวนี้เองจึงว่ารู้ว่าความสงบมีอสองอย่างสงบแบบไม่สงบเนี่ยรู้อย่างแบบไม่รู้สงบแบบสงบรู้อย่างแบบรู้เนี่ยเป็นว่าสอนกันอย่างนั้นเต็มไปสมมุติของหน้านี่ที่หลวงพ่อนํามาไล่สอเป็นเรื่องสมมุติแต่เรื่องจริงจึงว่าจริงโดยปรามาจาอันเนี่ย จึงโดยอัฏฐะอัฏฐะไปว่าได้กับมกักแปดหรือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัป ส, สัมมาสมาธิไปเลยไปอันนั้นมักแปดอันหนึง่งโลกแปดเราเคยสวดกันด้วยสี่คู่แปดโมุษเอสาพระวัตโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระภูยภาคเจ้าเนี่ยเราไม่ออกมาปฏิบัติท่านนเป็นอย่างนี้เราต้องเอาตัวนี้ตัวสัมมาทิฏฐิตัวนั้นเอาไว้มันเป็นเรื่องสมมติแต่ว่าโตที่ว่าสี่คู่แปดโมุษ เอสาวะคะวะโตสาวกะสังโคนั่นแหละสงสาวกของพระวีาพากย์เราเอาตัวนี้แต่คำนี้เป็นคำพูดเราต้องปฏิบัติให้เป็นอย่างนี้อาหุเดยโยอาหูนยโยนี่ยหลวงพ่อว่าอาหุเนยโยบ้านหลวงพอ่ออาหุเดยโยเป็นสงควรแก่ศักกะที่เขานํามาบูชายเียกว่าการหาพระผู้สอนอไม่ใช่หลวงพ่อว่าหาวัดตีคนนึงการหาพระการหาครูหาอาจารย์หาคนจริงรับประกันคําพูดของพระ อ, องค์ได้ รับประกันจะสอนให้ผมกี่ปีกี่เดือนกี่วันรับประกันอย่างนี้อา้าวเนี่พูดแต่ว่ามันต้องเมาต้องพูดกล้าหาญคําพูดที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเอารับประกันได้สามปีอย่างนานจะได้ประสบไม่มากกว่าดอยเรื่องอาการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายนีย่อาจจะเข้าใจแน่นอนแต่ว่าไม่เกต้องเข้าใจแน่นอนเพราะคําพูดแล้วตัวเองจะทําให้หยางปัญญาญจะเกิดขึ้นไปตามดําดับขึ้นไปอย่างนานให้เวลาสามปีนะคํามั่นปัญญานี้ไว้ แล้วอย่างกลางให้เวลาหนึ่งปีเอาจริงๆไม่พ่อสอยไม่อ่อนแออย่างเร็วที่สุดให้กําหนดเวลาไว้เก้าสิบวันสามเดือนอันนี้สงไม่ต้องพูดเลยมันจะเขาเปลียนไปเองความเปลี่ยนแปลงเนี่จะาอาการความเปลี่ยนแปลงจะขึ้นไปตามขั้นตอนตามขั้นตอนขึ้นไปถ้าหากไม่ถึงที่มันสะบั้นแต่ก็ต้องวัดเรื่องความสงบเนี่ยแนนอนรับรองว่ารู้จักจริงๆ จะรู้จักความสงบแบบนั้นนันเป็นแบบนั้นความสงบแบบนั้นเป็นมันจะรู้จักจริงๆเรื่องโทสะโมหะนี่ไม่ต้องพูดเป็นญาปะคอเยเป็นญาปะคอหลวงพ่อเคยพูดมาหลายครั้งแล้วแล้วคนยังไปติดญาปะคอก็จะแก้ไม่ได้เนี่ยมันต้องแก้ให้มันได้พวกเราอะ่ะอันนี้ที่หลวงพ่อ น, นํามาแนะนําตักเตือนว่ากล่าวพวกเรานี่คือวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยี่บสามยี่สี่ ยี่สิบห้านี่1สิบวันนะถึงวันที่ยี่ห้าแค่เราทำมาแล้วได้สองวันสาวั 24. นยี่สี่ทำยี่สี่นี่สิบเจ็ดนนี่นะสิบแปดเอาวะสิบแปดสิบเก้ายี่สบยิบเอ็ดีิบสองยี่บสามี่สี่รือ7เจ็วันเนี่ยหลวงพ่อว่าอย่างเร็วที่สุดนะนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันมีอันนี้สองสองประการท่านว่าเรื่อ1สิบห้าวันท่านว่าทำให้ติดต่อกันนะ มีอันดุสองศึกสองประการเนื่งเป็นพระอาหารหันต์สองเป็นพระนาคามีถ้าหากหลุดจากความเป็นพระอาหารหันต์ก็ต้องมาตั้งอยู่คนเป็นพระนาคามีทันวันอย่างแน่นอนที่สุดตำราของท่านแกหดวงพ่อในพูจะนะ้นระยะช่วงที่เราทํามาแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่สิบแปดเป็นต้นไปสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยิบสองยี่บสามยี่สบสี่วันที่ยี่สิบสี่นั้นบางคนอาจจะอยู่ไม่ได้บางคนอาจจะอยู่ต่อไประยะเจ็ดวันนี้หลวงพ่อเข้าใจว่า จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เราได้ภูมิใจถ้าเราเป็นคนจริงนะถ้าเป็นเข้าทีหนึ่งนะถ้าเป็นเข้าไม่มีไนเป็นเข้าวผีแล้วครับพูดไม่ได้แล้วนั่นแหะหลวงพ่อเข้าใจแล้วเพราะว่าหลวงพ่อทํำมัไม่นานเนี่ยเพราะญาติโยมก็คเคยได้ทํามากันหลายวิธีมาแล้วบางคนอาจจะทําพุโทโธมาฮองยุบมาสัมมาอนาหังมาหรืออนาปานสติมาแต่มันยังไม่เข้าจุดนี้บัดนี้เราเอาไว้ก่อนขมรู้ที่เราเรียนมันเอาไว้ก่อน มาทําคนรู้สึกตัวเคลื่อนไหวโดยวิธีก็ให้รู้อันนี้มันจะทํายาญปัญญาวิปัสนาญาให้เกิดขึ้นในจิตในใจของเราที่อย่างที่เราพูดกันว่าเป็นอจิตที่ไม่เศร้าหมองเป็นจิตที่สะอาดเป็นจิตอะไรกันบสมมติว่ากันมาอย่างนั้นท่านจงว่าเป็นของทุกคนไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อกล้าได้ก่อนถือศาสนาไหนก็ตามจะถือศาสตนาคิด ศาสนาอิสลามฮินดูหรือศาสนาเขาตามหลวงพ่อไม่ไม่เหมือนทุกคนมาเถอะโดยบอกขอให้ปฏิบัติจริงๆหลวงพ่อได้สอนบาทหลวงไว้แล้วสองสามคนเขาก็ภูมิใจเนี่ยเพียงว่ารู้เพียงลลกยงารเคลื่อนไหวรู้จากรูปนั้นเขาภูมิใจบาทรหลวงเขาก็ซ้อนตัวทําเขาเธอศาสนาคิดนะอาศัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะมาช่วยเราได้ทํำไมเราต้องทําเองหเราขอแนะนําเขาเขารู้เนี่ยสามวันเท่านั้นเองเขารู้啊 เรื่องบาดหลวงเนี่ยเขารู้เรื่องลูกน้านเนี่ยรู้จริงๆหลวก็อแอบไปพูดให้ฟังเนี่ยเป็นอย่างไง น, น, นีแหลคําสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นกลางๆเป็นสากุลทำได้ทุกคนไม่มีของใครจีดสงวนที่เขาิตได้รู้แล้วไม่ให้คนอืน่นรู้ปอดไว้ไปไม่ได้รู้แล้วฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นรู้แล้วทําลายตัวเองก็ไม่ได้รู้แล้วจะสงวนที่เขาิตไห้คนอื่นรู้ก็ไม่ได้เพราะว่าคนนั้นทําถูกต้องรู้ไปเองนี่ที่หลวงพ่อได้นํามาแนะนําตักเตือนว่ากล่าวกับพวกเรา ให้พวกเราได้เข้าใจนำไปปฏิบัติจริงๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะอพ <c oughs> ยายามเงียบอย่าไปพูดไปคุยกันมากเมื่อเรานั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่เพลิกมือขึ้นคมมันจะเจ็บงอแขนที่เข้านะทีแรกเนี่เมื่อเจ็บงอแข น, น่ะเออใกล้ๆแล้วจะรู้เข้ามาแล้วเนียมันเพรียป น, นั้หนหลวงพ่อทําทำมันเดียวหนวงพอจนเจ็บงอแขนเลยเอากระจริงๆจังๆอันนี้เรามันไม่เอาจริงมันจะเอาในน้อยอย่าพูดมาก เลิกการพวกการพูดนะั้มันเป็นสิ่งที่บังเราไว้ไม่ให้เราได้เห็นความคิดเราเพราะเรายังเป็นคนใหม่ฝึกหัดใหม่ะเรานั่งอยู่คนเดียวดีกว่าเราไม่ต้องพูดต้องคุยเร า, านั่งอยู่คนเดียวมาคิดว่าอ๋อมาคิดแล้วจะได้เห็นเนี่ยเนี่ยต้นต้นเหตุของความคิดนี่แหละเมื่อเรานำเห็นความคิดได้ได้มความคิดอย่างเป็นหน้ามือหลังมืออย่างที่หลวงพ่อเคยพูดมันจะรู้ว่าถูกพอได้รู้ตัวเรี่องน้ําสีเต็มกระป๋องคุณภาพ ไปแล้วงองผ้าเขาจะไม่ติดหรอกนี่จะได้กระแสพระนิพพานเป็นนักที่ตรงนี้จริงๆรับรองได้คนใดเข้ามาประสบตัวนี้เอนรับว่าเป็นพระได้จริงๆเพราะหลวงพ่อได้เคยถามเด็กน้อยมาอายุตั้งแต่เจ็ดปีแปดปีเก้า ป, ป, ปีเนี่ยเอาเก้าปีละถึงสิบสามปีหลวงพ่อถามไปยังไงผมเป็นพระได้เด็กอายุเก้าปีเนี่ยเคยพูกกับหลวงพ่อหลายคนแล้วเรามาที่นี่ประกันได้แล้วหรื อ, อยังถ้าประกันไม่ได้ก็แสดงว่าเรายัางไม่ได้เข้าถึงจุดนี้ ยังไม่ได้ต้นทางแล้วจะไปเห็นพระพุทธเจ้าได้ทำไมนันกไปไม่ถูกพระพุทธเจ้าทันทีเพราะเราไม่รู้ทางไปหาพระพุทธเจ้านี่อันนี้ถ้าเธอเข้ามาจุดนี้เราเราจะเห็นพระพุทธเจ้าทันทีจะได้จนทางเดินไปหาพระพเจ้าจริงๆรับประกันได้ที่หลวงพ่อได้ให้ขอ้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใ จ, จวันนี้ตอนเย็นเวลานี้ก็ต้องหกโมงกับยี่สิบนาทีพอดี ท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์ได้ญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของรัตตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตกิจใจให้พวกเราได้เจรินรอยตามรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง